ศา ส, สนาเป็นต้งเครื่องประดับให้สวยงามทางกายวาจาใจเป็นทั้งเครื่องส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานและเป็นเครื่องรักษาทรัพยบัตได้ดีไม่มีอะไรที่จะเปินศาสนาพูดถึงเรื่องความดีทั้งหลายคราม สวยงามความเรียบร้อยเป็นเรื่องที่ศาสนาได้สั่งสอนไว้หมดไม่มีใครที่จะสั่งสอนได้ละเอียดแล้วออยิ่งกว่าศาสนาแพ่พอย่านยิ่งคือผู้ศาสนานี่แหละเป็นสาคัญคําว่าศาสนาเป็นเพื่อนประดับกายว า, าจาใจนั้นประดับอย่างไรธรรมนาศาสนาเป็นสิ่งที่งาม อยู่อย่างลึกซึ้งอยู่แล้วเวลานามาปฏิบัติมาประดับกายคือการกระทาความประพฤติทุกด้านที่มีศาสนาเป็นเครื่องพาดำเนินการประพฤติย่อมไม่ผิดจากเสียงจากธรรมไม่มีการกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันที่เกี่ยวกับมนุษย์เราเป็นคนหมู่มาก หรือจะเรียกว่าสัตว์หมู่ก็ได้เนื่องจากมนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้เหมือนสัตว์บางประเภทซึ่งเขาอยู่ตัวเดียวเขาสบายสบายแต่มนุษย์เราจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้ต้องมีหมูม่มีคณะมีครอบครัวตั้งบา้านตั้งเดือนตัง้ตงตำบลอำเภอจังหวัดมณฑลประเทศระวนหน้าตั้งแต่เป็นกลุ่มของมนุษย์ทั้งนั้น ของนับตังแต่สองสิ่งขึ้นไปย่อมมีการกระทบกระเทือนกันได้เช่นลิ้นกับฟันแม้จะทํางานเพื่อผลประโยชน์แก่ร่างกายธาตุขันธ์เราก็ตามแต่ก็มพ้นที่จะกระทบกันไม่ได้บางครั้งฟันกัดลิ้นเลือดาสาดเราก็มีนี่ก็ขาดความระมัดระวังของเจ้าของผู้รับผิดชอบเองเจ้าปตําหนนิฟันว่า ไม่ดีเพราะมากัดลิ้นจะไปตำหนิลิ้นว่าไม่ดีเพราะความขันองดู่เฉยเฉยไม่ได้อันนี้ก็ไม่ถูกก็คือสติเป็นสําคัญซึ่งเป็นเจ้าของควบคุมงานของลิ้นและฟันซึ่งกําลังทํางานเพื่อตัวเองอยู่เวลานั้นถ้าสติมีระมัดระวังแล้วทั้งสองนี้ก็ทําประโยชน์ให้แก่เจ้าของโดยสมบูรณ์ มัน ม, มีความบกพร่องความบกพร่องจึงไม่ขึ้นอยู่กับลิ้นและฟันแต่ขึ้นอยู่กับเจ้าของผู้รับผิดชอบไม่มีสติสตางไม่ระวัตวังตัวเองนี่แล้วพูดถึงเรื่องทาเรื่องการรักษาหรือ <c oughs> การกระทบกระเทือนแม้แต่ลิ้นกับฟันซึ่งเป็นสมบัติของเราแท้ทั้งสองอย่างก็ยังไม่พ้นที่กระทบกระเทือนได้ถ้าขาดทำทำในสถานที่นี้หมายถึงสติทำ หมายถึงปัญญาธรรมสติคือความระมัดระวังคือความระลึกรู้ระมัดระวังอยู่เสมอเนี่ยนี่ก็เป็นธรรมในการพูดการจาการปฏิบัติหน้าที่การงานใดที่เป็นงานเฉพาะก็ต้องมีความรอบครอบในงานท้องตนว่าจะมีส่วนได้เสียอย่างไรและยิ่งงานเกี่ยวกับคนอื่นมีจำนวนมากน้อยเป็นลาดับลาดับไปด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นเหตุให้ระมัดระวัง การระมัดระวังด้วยศีลด้วยธรรมนี้ไม่เป็นไปเพราะความกระเทือนความไม่นะมัดระวังและไม่มีศีลมีวยธรรมเขาแทรกเข้าเกี่ยวข้องเลยนั้นเป็นไปเพราะความโกโทกระเทือนส่วนมากก็เป็นต้องความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี้เป็นสิ่งที่ทําลายส่วนรวมได้มากมายก่ายกองพระพุทธญาติท่านถึงสอนคึงธรรมดาคนเห็นแก่ตัวแล้วย่อมจะมีการกวาดเข้ามาเสมอความโลภมีมาก การเสียสละมีน้อยถึงกับไม่มีนี่ก็เพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี้ไม่ใช่ธรรมคือเป็นเรื่องของโลกหรือความโลกนี่ถ้าคนผู้มีธรรมแล้วความเห็นแก่ตัวอย่างอย่างออกหน้าออกตายอย่างนั้นจะเป็นไปไม่ได้ต้องมองเห็นเขาเห็นเราที่อยู่ด้วยกันนี่ก็รเรียกว่าธรรมวาจาที่แสดงออกแต่ละประโยคแต่ละคำที่เกี่ยวข้องกับผู้ใด การธรรมดาเราพูดคนเดียวไม่ได้นอกจากอ่านหนังสือหรือสวดมนต์หว้พระเราต้องพูดกับคนพูดกับเพื่อนฝูงหรือกับใครก็าตามการพูดต้องระมัดระวังในคําพูดที่จะเกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนจิตใจกันซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเรามีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาอยู่นั้นคําพูดก็เป็นเครื่องสมักสมานและเต็มไปด้วยเหตุโดยผลผู้ฟังย่อมได้รับความเข้าใจและทราบซึ้ง ทางหน้านจิตใจก็คิดกต่ในแง่ที่ดีก่อนที่จะระบายออกมาทางกายทางวาจาต้องการกรองออกมาจากใจซะก่อนใจใจเป็นผู้บงการบ่งงานถ้าใจรับการพิจารณาลึกการกรองมาด้วยดีแล้วการระบายออกก็เป็นทางที่ถูกทั้งนั้นอุตุนุงศาสนาการจับใจ่ายใช้สอยทุกประเภททุกขแขนง ก็จับจ่ายใช้สอยออกไปเพื่อผลประโยชน์จริงๆไม่ใช่จ่ายออกไปแล้วเงินก็เสียไปใจเจ้าของก็เสียไปด้วยแล้วทำความเคยชินแก่จิตใจจนกลายเป็นคนใจรั่วเก็บอะไรไม่อยู่ีถ้าไม่มีธรรมมันรั่วได้ใจคนเราเมื่อใจรั่วเสียอย่างเดียวเงินทองก็ของมีมากมีน้อยรั่วไปหมดเพราะเจ้าของอยู่กับใจ ใจเป็นผู้ก่อตัว เ, ยเอยใจผู้ทํามาตัวเองแล้วสมัติจะมีความแน่นหนามันคงหน้าอย่างไรเมื่อเจ้าของไม่พามั่นคงการสอดแสวงหาสิ่งใดก็เป็นไปเพื่อความชอบธรรมถ้ามีธรรมอยู่ภายในใจศาสนาจึงเป็นเครื่องประดับทําให้สวยงามทั้งความประพฤติการกระทําการคิดทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นเครื่องรักษาก็คือรักษาเราให้เป็นคนทั่วเพราะศาสนาทํามันสอนให้คนเป็นคนทั่วอย่ารักษาบํารุง ทางด้านจิตใจและทรัพย์สมบัติหรือรักษาจิตใจและทรัพย์สมบัติเป็นทองได้เป็นอย่างดีอย่างมีเหตุมีผลศาสนาจึงเป็นความจําเป็นนักคำวิาสศาสนาเป็นสมบัติกลางมนิยมว่าเป็นของผู้หนึ่งผู้ใดใครจะถือกรรมสิทธิ์ศาสนาย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะศาสนาไม่ใช่เป็น สมบัติกรรมสิทธิ์เป็นสมบัติส่วนรวมสอนเพื่อประชาชนทั่วไปที่มีความเชื่อความเลื่อมใสและคล้ายต่อการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านสอนได้ทั้งสามโลกธาตมนุษย์เทวดากรรมกรรมภพรูปภพอรูปภพสอนได้หมดเราได้เกิดมาในท่ามกลางแห่งพุทธศาสนาคือความเป็นมนุษย์เป็นซึ่งเป็นสถานกลางแห่ง าศาสนาอย่างยิ่งและรู้ดีรู้ชัวทุกสิ่งทุกอย่างยิ่ยงเป็นผูกมีความคล้ายความสงสัยต่อาศาสนาด้วยแล้วใจก็เป็นภาชนะอันเหมาะสมที่สุดกับาศาสนาด้วยาศาสนาอันแท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของพวกเราทุกคนพระพุทธเจ้าสอนคนทั้งนั้นไม่ใช่อยู่กับคนนั้นไม่ใช่อยู่กับคนนี้โดยเฉพาะหรือโดยผูกขาดแต่าศาสนาเป็นสมบัติกลาง ผู้ใดน้อมมาประพฤติปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองผู้นั้นก็มีคุณค่าผูนั้นก็มีอัตมีธรรมภายในจิตใจได้รับผลประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติศา ส, สนา จ, จึงไม่ใช่เป็นของคนนั้นคนนี้แต่ที่โลกกลายเป็นที่ศาสนากลายเป็นโลกไปนั้นก็เพราะโลกพาให้เป็นไปผู้นับถือศาสนาเรียกศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าตบต่อยชกตีกันด้วยวาถทคําคพูดว่าศาสนาฉันดีศา ส, สนา แกไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นในศาสนาเลยเป็นเครื่องมือให้ทะลอะยิวาทกันนี่เป็นความเห็นปิดของผู้ถือศาสนานั้นๆที่ไม่เข้าใจเรื่องศาสนาตามหลักธรรมชาติหรือตามหลักความจริงจะเป็นศาสนาใดก็าตามก็สอนคนให้ดีเราถือความดีจากการปฏิบัติศาสนาทเท่านั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่ต้องเอาศาสนาไปเท่เป็นเครื่องมือโ อ, โ อ, โ อ, โอ้อวดได้อะไรต่าง แล้วการปฏิบัติศาสนาเราจะปฏิบัติอย่างไรจะปฏิบัติที่ไหนที่เหมาะสมที่สุดกับจุดแห่งศาสนาที่สั่งสอนไว้แล้วก็ได้จกปฏิบัติต่อตัวของเราเองตัวของคนเรานี้ถ้าพูดถึงเรื่องความดื้อด้านความคลึกขนองความเลวไหลความซอกแสกซึกแซ ก, ซก ส่วนมากเปิดในทางที่ไม่ดีไม่มีใครที่จะเกินหน้ามนุษย์เราทั้งฉลาดด้วยทำได้ทุกแง่ทุกมุมที่จะทำทางชั่วก็ฉลาดทำแต่คั้งดีแม้จะฉลาดก็ไม่อยากทำนี่เพราะฉะนั้นศาสนาจึงควรแก่ ม, มนุษย์ผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปแล้วสอนตัวของเราเพราะเรามันมันไม่ดี ขมาที่ว่าไม่ดีถึงเราไม่ไปปล้นบ้านปล้นเรือนไปฉกรักขโมยเขาก็าตามแต่มันก็มีความลื่วด้านอยู่ภายในตัวของเราเองฝืนตัวเองปีนเปลียวตัวเองปีนเปลียวคํามกินปีนปีนเปลียวหลักธรรมคือศาสนาอยู่โดยไม่รู้สึกตัวยิ่งผู้ไม่มีศาสนาเลยนั่นเราก็ไม่นับเข้ามาในบัญชีนี้นี่เราหมายถึงตัวของเราเองผู้นับถือศาสนาแล้วตําหน่เราบ้างเพื่อจะเห็น ทางแก้ไขเห็นจุดบกพร่องของเราจึงเรียกว่าเราดือนะ้อถึงจะพาสวดมวนต์ไหว้พระอันนี้ขี้เกียจหนะ่ะมันดื้อตรงนี้ดื้อตรงขี้เกียจไม่อยากทำํำนะจะนั่งภาวนาช่วการช่วยระยะพุทโธธรรมสังโฆยังไม่ได้ถึง ส, สามลมหายใจปิดวอกแวกคอนแครนไปที่ไหนก็ไม่รู้นี่มันก็ดื้อมันขนองมันชอบคิดชอบปรุงในสิ่งที่ไม่เป็นท่าแต่เวลาผลที่เกิดขึ้นมานั้นไม่ต้องการความคิดความปรุงของจิตที่ ชอบคิดในแง่ต่างๆส่วนมากเป็นเครื่องก่อความจิตใจโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาคุณสติกับปัญญาท่านจึงสอนให้รักษาคนคือรักษาใจของเราแล้วก็เป็นอันว่ารักษาทั้งทางกายและทางวาจาด้วยเพราะใจเป็นผู้บงการบงงานในการกระทําการพูดทั้งหลายศา ส, สนาท่านสอนที่นี่ให้เราเป็นผู้ปฏิบตัติต่อตัวของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งเราได้ทําหน้าที่การงานอันใดบ้าง มีความชอบธทำหรือไม่เป็นระหว่างสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันเป็นเป็นอย่างไรมีความปรองดองกันหรือไม่หรือมีความขัดแย้งกันที่ตรงไหนความขัดแย้งนั้นเป็นฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดเราต้องนํามาคิดเพราะเราต้องการความสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีอันใดที่จะสนิทติดแนบยิ่งกว่าระหว่างสามีภรรยาที่มีความเชื่อถือและติดแนบกันสามีภรรยาลงกันมาได้ก่อ็ก็แสดงว่า ครอบครัวนั้นแต่ลูกเต้าหล่ากอทั้งหลายกอหาความร่มเย็นเป็นจุดไม่ได้นี่คืออะไรคือขาดการรักษาตนด้วยศาสนาเราไม่ได้หมายถึงว่ า, วาคนนั้นคนนี้เราพูดถึงเรื่องธรรมซึ่งเป็นส่วนกลางแยกปแต่ตัวของเราเองโดยเฉพาะออกไปสู่ครอบครัวสู่สังคมกว้างแคบไปตามลำดับลำนาถ้ามีธรรมเป็นเครื่องปฏิบัติรักษาด้วยแล้วก็จะมีความสงบร่มเย็นไปหมด ตัวของเราเองก็ไม่เดือดร้อนว่าผู้ใดจะมาตำหนิปิดเตียนเราว่าทำไม่ถูกระหว่างสา ม, มีภรรยาต่างคนก็ต่างมีความร่มย็นเป็นจูขข่เพราะความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ะไม่ประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางมีความอบอุ่นสมบัติเงินทองจะมีมากมีน้อยไม่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าน้ำใจที่มีต่อกัน มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันฝากเป็นฝักตากันด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต, รตนี่เป็นหลักใหญ่ของการครองบ้านครองเรือนสมบัตเงินทองเราพอหาได้อดบ้างอิ่มบ้างก็พอเป็นไปถ้าระหว่างใจทั้งสองลงลอยกันเย็นลูกเต้าเหล่าก็เย็นแอร์ก็เย็นเอาหมดหมดไปเวลาขาดขา ด, ขาดบ้างมีบ้างเป็นธรรมดาของโลกของโลกอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงมีสุงต่ำต่ำมุ่งมั่นดอนอย่างนี้ตลอดมา ตั้งแต่การไหนๆก็เป็นเช่นนี้ไม่ว่าแต่เราคนเดียวโลกก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันก็พอคิดพออ่านพอทำให้ความร่มเย็นได้ถ้าการประพฤติปฏิบัติเราที่ระหว่างแห่งกันเป็นไปด้วยความสงบเยือกเย็นเป็นไปด้วยความไม่เนื้อเชื่อใจกันได้ น, นี่ก็คือทาเป็นเครื่องรักษาความเย็นนั้นความสุขความสบายนั้นไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นจากการมีเงินเป็นนั่นล้าน แต่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงตัวเองระหว่างกันในกันที่อยู่ด้วยกันนี่เป็นของสัมผัสมากคนที่มีเงินเป็นล้านๆหาความสุขไม่ได้ก็เยอะเพราะเงินเป็นเงินจะมาเป็นความสุขไม่ได้ผู้ที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่เงินเป็นผู้ก่อใจเป็นผู้ก่อต่างหาเมื่อใจก่อขึ้นแล้วก็นําเงินมาเป็นเครื่องมือก่อเรื่องความไม่ดีขึ้นมาเงินก็เลยกลายเป็นเครื่องมือแห่งความไม่ดี แล้วก็ น, นําไฟมาเผาตนเองอันเป็นสภายผลไปซสียเนี่ยแล้วเราจะหาความสุขความสบายได้อย่างไรถ้าเราเป็นเจ้าของสมบัติไม่สามารถปฏิบัติตัวให้รอบครอบต่อตอนเองและสมบัติแล้วสมบัติก็ไม่ถ้าเกิดประโยชน์อันใดแก่ผู้มีสมบัติด้วยความเป็นเช่นนั้นของของตนนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้รักษาตนอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติศาสนาคือรักษาตน มีอยู่กี่คนด้วยกันก็ให้รักษาหน้าใจกันให้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วยอมรับผิดกันหมายว่าภรรยาผิดยอมรับสามีผิดยอมรับลูกก้าผิดยอมรับยอมรับกันคนเราให้อภัยกันได้คือยอมรับแสดงว่าการยอมตนเห็นผิดอยู่ด้วยกันได้ถ้าไม่ยอมรับดูด้วยกันไม่ได้หมายว่าอะไรเหมือนอย่างโรคไม่ไม่ยอมรับยาเลยจะ ต, ต้องแตกทลายไปเสีเย กำเริบไปเรื่อยๆจนกระทั่งตายไม่มีเหลือถ้าโรคยอมรับยาบ้างมีทางหายเนี่ยเราพูดในขั้นหนึ่งแห่งธรรมที่ท่านพูดสนใจในธรรมะทั้งหลายได้พิจิตรณาว่าศาสนาคืออะไรอยู่ที่ไหนศาสนาอยู่ที่ใจเป็นสําคัญใจเป็นภาชนะสําคัญที่สําหรับรับรองศาสนาท่านจึงควรปฏิบัติต่อใจของตนให้ดี นำมาชข้วดกวดขันต่อความประพฤติความรู้ความเห็นคําพูดคําจาอันใดผิดอันใดถูกบวกลบกันให้รู้เรื่องรู้ลาแล้วปฏิบัติไปนแนวที่ถูกต้องเราก็มีความร่มเย็นวันหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านไปผ่านไปไ ป, ไปเปล่านั้นมีเยอะที่ไม่ให้ผ่านไปก็ควรจะให้มีคือผ่านไปจริงแต่งานของเราที่จะพึงได้รับผลประโยชน์ ทั้งภายนอกภายในก็อย่าให้ผ่านไปด้วยในลำเวลานั้นหน้าที่การงานเราเกิดมากับโลกที่มีการมีงานเกิดมากับโลกด้วยความยุ่งเหยิงเขายุ่งเหยิงเราต้องยุ่งเหยิงเขามีงานเราต้องมีงานเพราะมีปากมีเท้ามีท่ า, ม, ทามีขันที่หยจดเป็นเครื่องรบ ก, กวนเราให้ต้องหางานมาเพื่อผลประโยชน์ได้เข้ามาบำรุงรักษาก็ต้องได้จัดได้ทําอยู่เฉยๆไม่ได้นี่เราก็ทราบด้วยกันทุกคนแล้วนี่คืองานชนิดหนึ่ง แต่งานทางด้านจิตใจได้แก่ศีลจต่ธรรมที่จะบำรุงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นและมีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจของเราและครอบครัวนั่นเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นงานสําคัญอยูมากนด้แก่กิตตภาวนาได้แก่การประพฤติศีลประพฤติธรรมทานเราก็เคยได้ทํามาเป็นประจำนิสัยของเราตั้งแต่พ่อแม่ปูย่ย่าตายายเราพอเข้าใจศีลก็เคยได้รักษามามาบ้างพอสมควร สีลงห้าคือคืออะไรศีลงห้าเนี่ยปานาคำว่าปานาหมายถึงอะไรหมายถึงชีวิตทีเดียวโลกอันนี้มีอะไรที่สําคัญก็คือชีวิตเป็นสําคัญสําหรับสัตว์และบุคคลนอกนั้นเป็นสิ่งโดยผลถอยได้ไม่ใช่เป็นหลักเป็นเกณฑ์อันสําคัญไม่ใช่เป็นแก่นแห่งความสําคัญอันไดเลยนอกจากชีวิตคือความเป็นอยู่ พระพุทธเจ้าท่านทรงเล็งเห็นความสําคัญของสัตว์โลกว่าอะไรเป็นจุดสําคัญของสัตว์โลกที่รักที่สงวนที่สุดคืออะไรได้แจ็ดชีวิตเพราะนั้นท่านจึงห้ามปานาไม่ทําลายสัตว์เบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนใครก็ตามคนก็ตามทําลายใครก็ตามคนหรือสัตว์ก็ตามเป็นสิ่งที่ทําลายความสําคัญของขอที่ที่เป็นจุดอันสําคัญที่ขอรักเขาสงวนมากที่สุดไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ได้เข้าโรงน้ำโรงเรียนก็ตามถึงเรื่องความรักความสงวนหรื ค, ความกลัวตายนี้กลัวเรื่ยกันรู้รู้ด้วยกันสุกก็รู้ทุกก็รู้ความกลัวก็รู้กลัวตายนั่นแหละเป็นสําคัญไม่ต้องไปเข้าโรงเริ่มโรงเรียนสัตว์เขามีโรงเรียนเขาก็รู้เขาก็กลัวตายเพราะความตายเป็นสิ่งสําคัญทําไมสัตว์จะไม่รู้ความรักสงวนในชีวิตสัตว์รู้ด้วยกันทุกคนวิ่งหนีแถบล้มแถบตายจนทนไม่ไหวตึ้งยอมตายก็เพราะความรู้เพราะความกลัวเพราะความรักสงวนในชีวิต พระพุทธเจ้าท่านทรงเล็งเห็นเหตุอันสําคัญเหตุผลอันสําคัญอย่างนี้จึงต้องบัญญัติปานาทิบาตไม่ทําลายกันเบียดเบียนกันมเมื่อต่างคนต่างอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเห็นชีวิตของเขาของเราของสัตว์ของบุคคลมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าด้วยความเป็นอยู่ด้วยกันแล้วก็ทํากันไม่ลงเมื่อทํากันไม่ลงก็เรียกว่าโลกนี้มีความร่มเย็นเพราะไม่ทําลายซึ่งกันและกันนะัอาทินา สมบัติของใครๆก็ตามมีคุณค่าสำหรับของมีคุณค่าสำหรับผู้นั้นด้วยกันทั้งนั้นแม้เข็มเล่มหนึ่งก็มีคุณค่ามีเป็นของสำคัญเราอย่าพูดจังหวัดมีมากยิ่งกว่านั้นเลยเราพูดตังแต่เข็มเล่มหนึ่งขึ้นไปเป็นสิ่งที่เจ้างต้องรักต้องสงวนต้องถือว่าเป็นกรรมฐานของตนเองโดยสมบูรณ์จิตใจก็มาอยู่ที่สมบัตินั้นการทำลายสมบัติจึงเป็นการทำลายจิตใจของผู้เป็นเจ้าของสมบัติด้วยกันพระเจ้าก็เล็งเห็น ถ้าเราจะให้ทานผู้ใดไปเนี่ยมากกว่านั้นเราให้ได้เพราะให้ด้วยน้ําใจเป็นการเสียสละเป็นการหให้กันด้วยน้ําใจลูกกันทั้งสองฝ่ายผู้ให้ก็ให้บริสุทธิดด์ด้วยความรู้สึกใจด้วยความปอใจผู้รับก็รับด้วยความรู้สึกใจไม่เป็นโทษเป็นภัยอะไรให้กันมากทเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรเสียหายเพราะให้ด้วยน้ําใจแต่การโฉกการขโมยกันนี้เป็นการทําลายจิตใจนอกจากทําสมบัติของเขาให้สูญหายไปแล้วการทำลายจิตใจเป็นสิ่งใหญ่โตมากยิ่งกว่าสมบัติที่สูญหายไปเพราะการขโมยนั้น <latitude>. <S <S นะ <herkes builds> ถ้ท่านเห็นความสั้งผ่าอย่างนี้ท่านจริงทรงบัญญตัตในครนี้ไว้พวกเราไม่เห็นความทํางผ่นเพราะเราไม่เคยคิดเคยอ่านเคยจองเพราะพระุทธเจ้าทรงทราบด้วยเหตุด้วยผลทุกถึงทุกประการตลอดถึงด้วยพยานของพระองค์เองด้วยนะการเมษุมิจฉาจานคืออะไรนี่ก็คือหัวใจของระหว่างสามีภรรยาซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากโลกนี้จะหนักขนาดไหนไม่ได้หนักยิ่งกว่าระหว่างสามีภรรยารักกันหนักกว่ากันนี่อันนี้เป็นสิ่งที่หนักมาก ทำลายกิตใจกันด้วยวิธีการเมตซึนชาญจาึงเป็นการทำลายอย่างใหญ่หลวงทีเดียวโลกแตกฆ่ากันได้เพราะเจ็บใจแค่นใจทนไม่ไหวก็ต้องออกในทางนั้นคือในการทำลายฆ่ากันไดน้โลกมันแตกพอ น, นี้พระองค์ก็เห็นสิ่งที่รักที่สมวนมากคืออะไรระหว่างสา ม, มีภรรยาหรือลูกเต่าเหล่าก็คลองไทยใครก็รักใครก็สมหวน ใครไรล่วงล้ำไปทำลายนี่ใครจะไม่เสียใจฆ่ากันได้อ่ะยกตัวอย่างใกล้ๆที่หนึ่งหลงตาบัวมีเมียสักคนมีลูกสาวสักคนแล้วใครเลองมาล่วงล้ำหลวงตะบัวเมียหลวงตาบัวฆ่าคนมันห้าศพยังไม่รู้สึกตัวเลยว่าได้ฆ่าคนเอามาล่วงล้ำลูกของหลวงตาบัวอีกฆ่าอีกวันหนึ่งกี่ศพแล้วถ้าไม่อยากตายไร้หลาศพอย่าล่วงล้ำเข้ามาอย่าทะลึงาาะล่งเข้ามาทะลึ่งเข้ามาเท่าไรเป็นหมดไม่มีเหลื อ, อะเพราะเห็นไร อ่าพอมียรืงหลงตา บ, บัวบ้างหอึไม่ใช่เมียของใครนเมียหลงตะ บ, บัวนี่เอลูกหลงตะ บ, บัวรู้ไหมว่าลูกหลงตะ บ, บัวหลงตะ บ, บัวมีความรักความสงวนขนาดไหนถ้าไม่อยากตายอยากอยากเข้ามานะักนี่เรายกตัวอย่างนะแต่นี่ดีหลงตะ บ, บัวไม่มีเมียได้ไม่มได้ฆ่าค น, คน <laughs> อ้านี่ข้อที่สามเราเห็นความสำคัญไหมนี่สําคัญขนาดนั้นนะ่ะอะไรก็ตามจิตจดจ่ออยู่กับผัวกับเมียกันเท่านั้น เป็นจุดใหญ่สําคัญระหว่างสามีภรรยาและลูกเต้าของตนนี่เป็นจุดใหญ่มากการทําลายกันอย่างนั้นจึงเป็นการทําลายกันอย่างที่ไม่มีอะไรที่จะให้อภัยกันเลยนอกจากแหลกเป็นทะเลไปเลยหรือเป็นใสไปเลยเท่านั้นอย่างมูซาเราต้องการไหมว่าในโลกนี้พูดออกมาคําใดมีแต่โกหกกันทั้งเพ่ะใครพูดกับใครก็ตามผู้ใหญ่พูดกับเด็กก็ตาม เด็กพูดกับผู้ใหญ่ก็ตามระหว่างสา ม, มีภรรยาพูดต่อกันก็ตามใครๆก็ๆก็ตามทั้งโลกนี้พูดแต่ทำโกหกกันทั้งนั้นหาความจริงหาสละที่จะเชื่อถือกันไม่ได้เลยเราต้องการอาหรือโลกอันนี้มีแต่โลกโกหกอย่างนี้กันทั้งโลกแล้วโลกนี้อยูอย่อยู่กันได้หรือกว้างแสนกว้างอยู่กันไม่ได้เพราะหาความแตกความจริงต่อกันไม่ได้เลยนะ่นลองพิจารณาสิสำคัญไหมคำพูดเห็นว่าไม่เห็นรู้ว่าไม่รู้ความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่พูดไปอย่างหนึ่ง หาความสัตย์ความจริงหาความไว้วางใจงไม่ได้ยจะอยู่กันได้อย่างไรแล้วบางสามีภรรยาก็อยู่กันไม่ได้ลูกกับพ่อกับแม่ก็อยู่กันไม่ได้ถ้าขาดศีลทําข้อนี้เสียเท่านั้นโลกนี้จะหาความสัตย์ความจริงไม่ได้เลยแล้วฆ่ากันแหลกเองเหมือนกันเพราะโกหกนี่ว่างไง น, นี่อันแหนเราพูด ย, อยอ่อๆพอเข้าใจแล้วสุราฮะเราเคยเห็นไหมคนมอสุรามันเป็นคนชนิดใดเอ ไม่ได้ไม่ดื่มสุราเป็นยังไงเป็นคนดีๆเราธรรมาดานพอดื่มสุราเข้าไปแล้วเป็นบ้าขึ้นทันทีโดยไม่ต้องไปหาทําอะไรเลยไม่ต้องไปเรียนวิชาบ้ามาเลยมันเป็นบ้าขึ้นทันทีกันเลมโง่ที่สุดก็คือคนเมาเหล้าะแล้วอวดฉลาดที่สุดก็คือคนเมาเหล้าพูดไม่รู้จักจบพูดกับ ค, คนเมาเหล้าแล้วที่ต่างคนต่างเมาเหล้ามาสุราด้วยกันเคลื่ อ, อนการอยู่ตามถนนทั้งทาง ไม่ว่าเขาว่าเราเต็มไปหมดตั้งแต่คนมาลุลาเราดูได้แล้วหรือโลกกว่านี้เกลื่ อ, อนไปหมดตั้งแต่คนเหมาะเราดูดูได้ไหม <c oughs> ท่านไม่อยากเห็นคนประเภทนั้นที่โลกมีทั้งโลกแล้วมีแต่คนมืนมเมาลุลาเกลื่อนเต็มโลกหาคนที่เป็นสาระหาคนที่เป็นศีลธรรมหาคนเป็นผู้มีสติสตังซักคนนึงไม่มีมีแต่คนเป็นบ้าเ พ, พราะพิจุลาซะทั้งหมดและโลกนี้น่าอยู่แล้วเหรออ่ะเราไม่ต้องพูดอื่นไกลเลยเราพูดในข้าวปิ้วของเราเพียงเท่านั้น ลูกกี่คนก็เป็นบ้าสุรากันหมดเมาสุลากันเกลื่อนนอนเกลื่อนอยู่ตามหน้าบ้านหน้าเรือนหลังเรือนที่ไหนแล้วเมียก็เมาผัวก็เมาเมาไปหมดจนกระทั่งเป็ดไก่เมาไปหมดดูได้ไหมสุรามันดีไหมพี่นายนี่แหละเรื่องความไม่ดีอย่างนี้ภูริพุทธเท่านทรงห้ามติงห้ามถ้ามันไม่ดีอย่างนี้ไม่ใช่จะมาอุตริสอนโลกสอนสงสารว่าศีลห้าอย่างนั้นศีลแปดอย่างนี้สอนวงไปตามหลักความจริงให้เห็นเหตุเห็นผลว่าเมื่อฝ่าฝืน ศีลทําลงไปแล้วเป็นอย่างไรเนี่ยการฝ่าฝืนนี่ดูดีไหมคิดลองฟี่นาดูมันไม่ดีเลยเมื่อเราพูดปฏิบัติความโกงกันข้ามอย่างที่ว่านี้เป็นผู้มีศีลแล้วโลกก็เย็นเราก็เย็นไปที่ไหนต่างคนต่างมีศีลมีธรรมไว้ใจกันได้ไม่ว่าเขาว่าเราเข้าจะเข้ากันได้หมดไม่ว่าสามีภยใครภรรยาใครไป พบค้าสมาคมกันไม่มีความระรแวงแข่งใจว่าจะเป็นไรต่อกันเพราะศีลทําเป็นรั่ว ก, กั้นต่างคนต่างรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้ของเขาของเราแล้วงานหน้าที่การงานทําไปผลประโยชน์ก็ได้แต่เรื่องคนที่ให้เกิดเป็นอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะศีลทําบังคับนี่จะมาเย็นอย่างได้อย่างไรความเชื่อใจกันต่างคนต่างก็เชื่อใจกันไม่ทําในสิ่งที่ฝืนศีลเมตต์โลกก็เย็นลานนี่เรียกศีลนี่ทำเท่านี้ ภาวนาธรรมเราให้เราฝึกหัดบ้างการภาวนาอย่างน้อยก่อนจะหลับจะนอนให้ไหว้พระไม่ได้มากก็อรหังส ม, มาสวกพระโตสุปฏิพนูย่อๆแล้วก็นั่งจับภาพเพียบหรือขัดสมาธิสมาธิผ่อนหนาก็ได้เรากําหนดพุทโธพุทโธหรือเราจะกําหนดอนาปานาติคือลมหายใจเข้าออกให้รู้ มีความรู้สึกอยู่กับลมที่กำลังผ่านเข้าผ่านออกและจุดลมลมเข้ามาสัมผัสที่จุดใดมากกว่าเพื่อนเช่นดั้งจมูกลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนก็ให้กําหนดความรู้ไว้ที่ตรงนั้นให้รู้อยู่เฉพาะลมจิตทั้งหลายที่เคยฟุง้งซ่านลคาคันเมื่อถูกบังคับด้วยสติให้เข้ามารู้อยู่ในจุดเดียวคือความสัมผัสแห่งลมเข้าออกนั่นแล้วจิตจะเริ่มเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาจิตเมื่อสงบ เริ่มสงบก็เริ่มเย็นเริ่มสบายและสงบเย็นลงไปมากเพียงไรก็ยิ่งมีความเย็นสบายและสงบแน่วลงไปเลยปราศจากความคิดปรุงซึ่งเเครื่องครอบวนใดๆเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตสงบและนั่นแหละท่านเรียกว่าบ่อแห่งความสุขอยู่ที่ตรงนั้นความสุขเกิดขึ้ น, นจากความสงบนัตติสันติพลังสุขขังสุข ความสุขอื่นใดให้เสมอความสงบไม่มีความสงบนี้หมายถึงความสงบใจสงบภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจมีความเย็นสบายพากาันฝึกหัดภาวนาอย่าให้เสียธาตเสียทีเสียเวล่ำเวลาการเวลาผ่านไปผ่านไปชีวิตติตใจแล้วั้งขาแร่างกายเราก็ค่อยผ่านไปร่วงโรยไปเทีเยนเล็น้อยไปขาดไป วินาทีขาดไปหนึ่งนาทีขาดไปหนึ่งชั่วโมงเพราะเวลาเวลานี้กินอยู่ตลอดจะหลับตื่นลืมตาอะไรก็ตาม <c oughs> การกินของเวล่าเวลาที่เกี่ยวข้องกับสังขารกลางกางเหล่านี้จะไม่มีหยุดยั้งอไม่มีวันเสาร์ที่วันพระวันโกนอะไรเ่ะกินกันไปเรื่อยๆค่อยหมดปไงไปสมมุติว่าอ่ะเรามีอายุหนึ่งร้อยปีนะขณะนี้วินาทีกินไป ต่อไปนาทีกินไปชั่วโมงกินไปกินไปตั้งแต่โน้่ะตั้งแต่วันปฏิทินที่วิญญาณมาโดยลําดับนๆกินไม่หยุดไม่ถอยคีดว่าทั้งเราที่มีมีประมาณร้อยปีนั้นจะทนนานเท่าไหร่มันต้องถึงวันสุดท้ายจนได้คือหมดเพราะวินาทีนาทีชั่วโมงเดือนปีกินไปโดยลําดับๆจนกระทั่งหมดไม่มีเหลือเนี่ยแล้วเวลานี้ของเรายังเหลือเท่าไหร่เดือนปีนาทีโมงมันกินไปมาก น้อยเพียงไหรแล้วยังเหลือเท่าไหรที่ส่วนเหลือที่ควรทําประโยชน์อะไรบ้างเราต้องรอบดูประโยชน์ทางโลกเราให้ได้ประโยชน์ทางธรรมคือสมบัติของใจโดยเฉพาะที่เรียกว่าบุญบุญซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบคุณงามความดีมีทานถีญภาภวนาเป็นต้นก็ให้ได้อย่าให้เสียท่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพพระุทธศาสนาทั้งทีมีเรียกว่าเราเกิดมาถูกจุดสาคัญหนึงเกิดมา ผูกความเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เป็นใบเบียดใบใบบาดเสียจะหลีกผิดมนุษย์หรืคนหรือการต่างๆสองเราได้พบพระพุทธศาสนาและสามยังได้มีความเชื่อวความอาศัยต่อศาสนาได้พืนตนตามหลักศาสนาอีกก็เป็นเครื่องส่งเสริมชีวิ ต, ตจิตใจความดีของเราให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลําดับหากว่าถึงการเวลาที่จะต้องล่วงไปตามกฎแห่งอนิจจังทุกขังนตาลแล้ว เราก็ไม่เสียท่าเสียทีความดีของเราได้สร้างมาแล้วต้องบรรจุอยู่ที่ใจเป็นสมบัติอันพึงพอใจอยู่กับใจถ้าเกิดนสถานที่ที่ดีคติที่งามสมอก็ไปเพราะอนานาจแห่งความดีท่านสอนให้ประพฤติความดีไม่มีผู้ใดที่จะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจา้าแล้วไม่มีผู้ใดที่จะทราบความจริงซึ่งมีอยู่ในโลกนี้ ทั้งกว้างแคบหยาบละเอียดลึกตื้นขนาดไหนยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าจึงสอนทำรรได้โดยถูกต้องตามจุดความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างแล้วาศาสนาธรรมท่านเรียกว่าสุขาตธรรมแปลว่าตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างเป็นธรรมะอันสมบูรณ์เป็นาศาสนาที่สมบูรณ์ถ้าเป็นอาหารก็สมบูรณ์ด้วยความอร่อยอร่อยสมบูรณ์ด้วยรสด้วยชาบด้วยเครื่องปรุงต่างๆควรจากการนักฐานเต็มที่ถ้าเป็นเสื้อเป็นผ้าก็เหมาะสมกับ การนุ่งหง่มเป็นบ้านเป็นเดือนก็เหมาะสมได้สัตดได้ส่วนทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะสมทั้งหมดท่านจะเรียกว่าสวัสดิธรรมจัดไว้ชอบแล้วเหมาะสมแล้วทุกอย่างแล้วก็นำธรรมนั้นเข้ามาปฏิบัติตัวเองให้เหมาะสมกับตัวของเราเราจะไม่เหมาะสมอยู่ที่ตรงไหนคือบกพร่องอยู่ที่ตรงไหนให้พยายามแก้ไขจุดนั้นๆให้เป็นความเหมาะสมขึ้นมาโดยอันตรบจนกลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นภ า, า, ายในจิตใจ เช่นเราพึ่งหัดภาวนาเบื้องต้นก็ลมลุกคุ่ครานขั้นพึงหัดไปเรื่อยๆจิตใจก็มีความเข้มแข็งมีความสงบเย็นใจขึ้นมาสติปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นปรากฏขึ้นมาแก้ที่เละธหาอาสวะออกได้เป็นลําดับําับจนกระทั่งแก้ได้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่ภายในจิตใจเลยท่านเรียกว่าผู้นั้นพ้นแล้วจากที่เละอาสวะทั้งหลายเราจะเรียกว่าพระอรหันต์ก็ไม่มีอะไรผิด แต่ น, นี่เป็นชื่อเป็นนามจะเรียกหรือไม่เรียกไม่สําคัญขอให้พ้นจากทุกประจักษ์ใจแล้วเป็นที่พอใจเท่านั้นนี่พอออกจากาศาสนาธรรมคือเหมาะสมไปเดิมำนับเหมาะสมทั้งการแก้กิเลสทุกประเภทจึงเรียกว่าสวดหาธรรมจับไว้ชอบแล้วชอบอกากการแก้กิเลสพาสมัทั้งหลายชอบแก่การแก้ความชั่วช้าละมกทั้งหลายที่มีอยู่ภายในกายวาดาใจของเราจนกระทั่งหมดสิ้นจนกระทั่งเบาบางและหมดสิ้นไปโดยลำดับกิเลสทุกประเภท ธรรมะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในการแก้จนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยถึงแล้วซึ่งความพ้นทุกข์เราจึงควรปฏิบัติจะให้เสียเวล่ำเวล า, าศาสนาธรรมของมพุทธเจ้านี้ถ้าพูดถึงเรื่องคุณค่าไม่มีอะไรเทียบแล้วในโลกนี้ผลที่เกิดขึ้นจากการพุดดีตามหลักศาสนา ก็เป็นสิ่งที่เยี่ยมอยู่ภายในจิตใจใจเป็นผู้รับเพราะใจเป็นผู้ทําใจเป็นผู้รับผลผลมากน้อยความสุขความเจริญมีมากน้อยจะรวมอยู่ที่ใจไปสู่คติใดก็ไปเถอะคนที่มีคุณงามความดีได้ประกอบกระทําไว้แล้วย่อมเป็นเพื่อนสองผู้นั้นในการเดินทางท่องเที่ยวสู่พบ่าตินั้นๆให้มีความสุขสําราญบานใจตลอดกาลเมื่อ บุญญาที่สมพานมีความเกีกล้าสามารถฉล า, าดรู้เต็มภูมิแล้วก็ผ่านพ้นได้จากพิเรอศสวะในวัฏฏสงสารนี้ถึงปณิพานเป็นอันว่า ส, สิ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงการแสดงธรรมก็เห็นสมควรใจเวลาจึงข อ, อยุติเพียงเท่านี้